เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส4สมิถุนายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมน้าน้ำแห่งธรรม น้ำแห่งบุญแห่งกุศลเพื่อเอาไว้ดับไฟแห่งความโรคความโกรธความหลงไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทไฟแห่งความอิดฉาริษิยาไฟแห่งความน้อยเนื้อต่างใจเศร้าโศกเสียใจไฟแห่งความผิดหวังไฟแห่งความอลัยอวาน ไฟเหล่านี้มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนและมันจะกัดกร่อนจิตใจของเราไม่ให้มีความสุขไม่ให้มีความเจริญเราจึงต้องอาศัยน้าแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าน้าแห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดจากการบาเพ็ญของพวกเรามาดับไฟพอน้าเราก็ทราบดีว่ามีความสาคัญ ต่อการดับไฟอย่างไรเช่นในหน้าแรงช่วงที่ไม่มีฝนตกอากาศจะแห้งและไม้ต่างๆก็จะแห้งใบก็จะร่วงไฟป่าก็จะเกิดขึ้นง่ายไฟไหม้บ้านก็เกิดขึ้นง่ายเพราะอากาศแห้ง ไม่มีความชื้นอยู่นั่นเองแต่ถ้าในช่วงฤ ด, ดูฝนเช่นช่วงนี้มีฝนฟ้าตกอยู่เป็นประจำต้นไม้ก็จะเขียวขจีจะไม่มีใบใบใบเหลืองใบที่พลัดตกลงดินเป็นเชื้อไฟไฟป่าจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นไฟบ้านก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะ มีน้ำมีความชุ่มชื้นคอยป้องกันไฟฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับอากาศในช่วงฤ ด, ดูแล้งนั่นเองมีแต่ความแห้งแรงใจของเราก็มีแต่ความแห้งแรงพร้อมที่จะ ปทุขึ้นมาได้เสมอมีอะไรนิดอะไรหน่อยมากระทบกับจิตกับใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมา ท, าทันทีต่างกับใจของผู้ที่เข้าวัดอยู่เป็นประจำทำบุญอยู่เป็นประจำฟังเทศน์ฟงังธรรมอยู่เป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำจิตใจจะมีความร่มเย็นเสมอ ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบก็จะไม่ทําให้ปทุขึ้นมาได้ง่ายได้กว่าจะปะทุได้ก็ต้องแบบเหลือบ่าฝาแรงจริงๆถึงจะเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของน้ําแห่งธรรมน้ําแห่งบุญแห่งกุศลมากยิ่งกว่าน้ําน้ํากรามหรือน้ําเกล็ด ที่พวกเราสะสมกันสแสวงหากันเพราะน้ำกามน้ำเกลือนี้มันไม่ได้เป็นน้ำจริงๆมันเป็นเหมือนน้ำมันเสียมากกว่าเราก็รู้อยู่ว่าเวลาไฟลุกไหม้ถ้าเราเทน้ำมันลงไปในกองไฟแทนที่ไฟจะดับมันกลับจะโหมลุกขึ้นทวีคูณขึ้นไปฉันใดเวลาที่เรา ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแล้วเราหาน้ำเกียหาน้ำกลางคือรมก็คือราบยกสรเสริญสุขความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพะมาดับความรูมร้อนอยู่ภายในใจมันก็จะดับไม่ได้มีแต่จะทำให้ความรูมร้อนนี้ทวีคูณความแรงมากขึ้นไป ดังนั้นขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราดับไฟในใจด้วยธรรมะด้วยบุญด้วยกุศลอย่าดับไปด้วยการสแสวงหาราบยศสารเสริญสุขเพราะมันจะสร้างความทุกข์สร้างทำให้ไฟในใจของเราลุกร้อนมากยิ่งขึ้นไปใหญ่ดูคนที่สแสวงหาราบยศสารเสริญสุขกันดู ดูเสียว่าเขามีความสมบงบหรือเขามีความวุ่นวายใจมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ปัญหาไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไหนจะต้องไปแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยกังวล มีคนจะมาคอยแย่งชิงจากตนไปนี่คือน้ำแห่งกามน้ำแห่งเกียรติกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผธพะเกียรติก็คือเกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นน้ำดับไฟแต่มันจะทำให้ไฟในใจนี้ลุกมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ จึงขอให้เราพยายามอย่าไปเอาน้ําของกามน้ําของเกียรติมาดับไฟในใจเราต้องเอาน้ําของธรรมน้ําของบุญของกุศลมาดับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ในการดับไฟนั้นก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันวันนี้จะพูดถึงสี่ชนิดด้วยกันที่เรา สามารถเอามาใช้ดับไฟในใจของเราได้นั่นก็คือหนึ่งจาระะการเสียสละสศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. ธรรมะความอดกัน้น 4. ขันติความอดทนนี่คือสิ่งที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราบางเพนกันให้สะสมกันเพราะเป็นเหมือนน้ำดับไฟในใจของเรานั่นเองจากะนี่ก็เป็นน้ำที่จะดับไฟแห่งความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นถ้าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะอยู่กับผู้อื่นลำบากเราจะไม่มีความสุขเพราะเราจะต้องอยู่คนเดียว การอยู่คนเดียวนั้นมันไม่มีความสุขเหมือนอยู่กับหลายหลายคนเพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีผู้อื่นเช่นสามีภรรยาก็ต้องอยู่ร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันให้ความสุขแก่กันถ้าต่างฝ่ายต่างมีแต่ความเห็นแก่ตัว อยากจะทำอะไรตามใจชอบอยากจะได้อะไรตามใจชอบโดยไม่คำนึงถึงใจของสามีใจของภรรยาไม่นานก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้เช่นสามีชอบอยากจะดื่มสุราแต่ภรรยาไม่อยากให้ดื่มอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้ามีจาคะมีการเสียสละก็จะไม่เป็นปัญหา ถ้าภรรยาไม่ชอบให้ดื่มสุราก็อย่าไปดื่มสุราเสียนี่ก็เป็นการเสียสละเสียสละความสุขอันเล็กน้อยที่เกิดจากการได้ดื่มสุราเพื่อรักษาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือความสุขที่อยู่ร่วมกันกับภรรยากับครอบครัวถ้าไม่มีการเสียสละแล้วการที่จะมีครอบครัวนี้ จะไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะทุกคนนั้นต้องมีความต้องการด้วยกันและทุกคนจะต้องรู้จักแบ่งปันกันจะเอาความสุขของตนเป็นที่ตั้งไม่ได้จะต้องเอาความสุขของครอบครัวของส่วนลวงเป็นที่ตั้งเวลาจะทำอะไรก็ต้องปรึกษากันต้องดูว่าผู้อื่นเขา ยินดีที่จะทาด้วยหรือไม่ที่จะร่วมด้วยหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีไม่ร่วมด้วยเราก็ต้องระ ง, งับความคิดที่จะทำสิ่งนั้นไปพยายามหาความสามรถหาความปรองดองสามคัคคีความเห็นที่เหมือนกันความเห็นที่ไม่เหมือนกันนั้นเราอย่าเอาออกมาใช้เอาความเห็นที่เหมือนกัน ให้ชอบสิ่งเดียวกันให้ให้ให้อยากจะทำในสิ่งเดียวกันส่วนสิ่งที่เราไม่อยากจะส่วนสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างอยากจะทำแต่ไม่มีใครอยากแต่ไม่ได้ทำร่วมกันส่วนนั้นก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนรอลอโอกาสที่เหมาะเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราค่อยไปทำก็ได้นี่คือการเสียสละ ถ้าเราไม่เสียสละแล้วเราจะไม่มีความสุขเพราะเราจะมีแต่ความหนุดหงิดใจเวลาจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำตามใจก็จะเกิดความหงุดหงิดใจลาคาญใจและจะเกิดความโกรธขึ้นมาได้จึงขอให้เราฝึกการเสียสละอย่าไปคิดว่าการกระทำอะไรตามใจชอบนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราเกิดความโลภที่อยากจะทำอย่างนั้นมากขึ้นไปทำให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราอยากจะทำอะไรแล้วเราทำได้ดังใจเดี๋ยวเราก็อยากจะทำอย่างอื่นเองแต่พอถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความโกรธ และเราจะไม่มีความสุขกับคนที่เราอยู่ด้วยทั้งๆ ท, ที่เรามีความรักความปรารถนาดีต่อเขาแต่เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมความเห็นแก่ตัวของเราได้คนที่เรารักก็เลยกลายเป็นเหมือนศัตรูไปเป็นเหมือนคู่ต่อสู้ของเราไปเพราะเวลาเราอยากจะทำอะไรเราไม่ได้ทำได้ดังใจ เพราะถูกคู่ครองของเราเพื่อนรักของเรานั้นขัดใจไม่เห็นด้วยไม่ทำตามแต่ถ้าเรามีความเสียสละเมื่อเรารู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ทำตามเราก็ควรที่จะระงับการกระทาในสิ่งที่เราอยากจะทำนั่นไปทำอย่างอื่นก็ได้มีอะไรต้องทำได้มากมายกายกอง ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่เราชอบเสมอไปมันเป็นนิสัยติดมาพอเราชอบอะไรเราก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่ความจริงความสุขที่ได้จากการกระทำในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบนี้มันก็เหมือนกันแต่ใจเราไปหลงยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราชอบต้องทำในสิ่งที่เราชอบแต่เราไม่คิดถึงใจของคนอื่นว่า เขาอาจจะไม่ชอบเหมือนกับเราก็ได้เช่นเราชอบรับประทานอาหารอย่างหนึ่งแต่คนที่อยู่ใกล้เราเขาไม่ชอบรับประทานอาหารเหมือนกับเราอย่างนี้เราก็ต้องปรับตัวเราเองให้เข้าหากันพบกันคนละครึ่นทางเขาก็ปรับตัวเราก็ปรับตัวเมื่อต่างฝ่ายต่างปรับตัวกันแล้วเราก็จะพบจุดที่เราสามารถ มีความสุขร่วมกันได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความแตกแยกจะไม่มีการหย่าร้างจากกันจึงขอให้เราเห็นความสำคัญของการเสียสละการเสียสละนี้เป็นคุณสมบัติที่เลิศที่ประเสริฐ ว่าผู้ที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้สูงขึ้นได้นั้นจะต้องมีการเสียสละเช่นพระพุทธเจ้าถ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระ อ, องค์จะต้องเสียสละพระพราชสมบัติพระ อ, องค์เป็นถึงพระราชโอรสเป็นผู้ที่จะขึ้นครองราชต่อไปแต่พระ อ, องค์ทรงไม่ปรารถนาทรงเห็นว่าการครองราชนี้ ไม่ได้เป็นความสุขนั่นเองไม่ได้ดับไฟแห่งความทุกข์เพราะเป็นน้ำกรามน้ำเกลือน้ำกรามน้ำเกลือนี้อย่างที่ได้พูดไว้ว่ามันเป็นเหมือนน้ำมันมันไม่ได้เป็นน้ำที่จะมาดับไฟในใจของเราแต่กลับจะทำให้ใจของเรานั้นรุ่มร้อนมากยิ่งขึ้นไปใหญ่พอได้คลองราดแล้วก็จะต้องคอยปกป้องรักษาราชบัลหลัง จะต้องทำสงครามจะต้องต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็จะทำบาทททำกรรมทำให้จิตใจมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปพระพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ทางแห่งการดับทุกข์จึงทรงเสียสละสละราชสมบัติออกบวชอยู่อย่างขอทาน อยู่อย่างลำบากลำบนทางด้านปัจจัยสีแต่เพื่อที่จะได้สร้างธรรมะสร้างน้ำที่จะมาดับไฟในจิตในใจ ใ, ใจให้หมดไปนั่นเองพระองค์จึงกล้าที่เสียสละเมื่อเสียสละแล้วก็บาเพ็ญตนด้วยศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งอยู่ใน ศีลต่างๆศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองริบเจ็ดข้อนี่เป็นการรักษาจิตใจไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเราทำอะไรผิดศีลแล้วเราจะมีความไม่สบายใจนี่ก็เป็นไฟอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเช่นสามีภรรยาถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็จะมีความไม่สบายใจ เวลาสามีหรภรรยาแอบไปมีอะไรนอกบ้านเวลากลับมาในบ้านใจจะไม่มีความสุขใจจะมีความกังวลกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าตนนั้นได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องรักษาศีลกันไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพราะการเบียดเบียนผู้อื่นจะทําให้ใจของเรานั้นมีความรุ่มร้อนขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาถึงแม้เราจะได้รับความสุขจากการกระทําที่ผิดนั้นก็ตามแต่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จางหายไปแล้วมันก็จะตามมาด้วยความทุกข์กังวลใจเช่นเราไม่ซื่อสัตย์กับคู่กองของเรา เรามีความสุขในขณะที่เราไปมีอะไรนอกบ้านแต่พอเรากลับเข้ามาในบ้านแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์ความกังวลใจซึ่งไม่คุ้มค่าเลยและยิ่งถ้าเกิดเขาจับได้รู้ว่าเราไม่ซื่อสัตย์ถึงกับการทะเลาะกันถึงกับการแตกแยกอย่าร้างกันก็ยิ่งกลายเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา หลายเท่าดังนั้นความสุขที่ได้จากการทาผิดศีลนั้นจึงไม่คุ้มค่าจึงไม่ควรจะทําอยากจ ะ, สะแสวงหาความสุขก็ขอให้สแสวงหาในกรอบของศีลอย่าไปทําผิดศีลอย่าไปฆ่าสัตถถว์ตัดชีวิตอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปช่อโกงอย่าไปประพฤติผิดตรเวณีอย่าไปพูดปดโกหกหลอกลวง อย่าไปเสพสุรายาเมาการที่ได้ความสุขจากการกระทำสิ่งเหล่านี้นี้ไม่คุ้มค่าเพราะมันมีความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าตามมาในภายหลังเราจึงต้องคอยรักษาศีลให้ดีส่วนข้อที่สท่านสอนให้เรามีความอดกลั้นเพราะในการดำานงชีวิตของเรานั้นเราจะต้อง มีการกระทบกระทั่งกันจะต้องมีเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาเวลาใครทำอะไรพูดอะไรทำให้เราเกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดใจเราก็ต้องอดกลั้นเอาไว้อย่าปล่อยให้มันออกมาทางกายทางวาจาอย่าไปพูดในขณะที่เรามีอารมณ์ไม่ดี อย่าไปทำในขณะที่เรามีอารมณ์ไม่ดีขอให้เราสงบสติอารมณ์ของเราเสียก่อนแล้วค่อยพูดแล้วค่อยทำวิธีที่จะทำให้เราสามารถอดกลั้นอารมณ์ต่างๆได้เราต้องใช้ธรรมะเข้ามาระงับธรรมะก็คือเวลาที่เรามีความโลภ ก, ก็ให้ใช้เหตุผล ให้ถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเราอยากได้นั้นมันจำเป็นไหมถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราเดือดร้อนหรือไม่เราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่เดือดร้อนเราไม่เราไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นเช่นเวลาเราอยากจะไปเที่ยวข้างนอกอยากจะไปดูหนังอยากจะไปฟังเพลงอยากจะไปเล่น อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อรองเท้าใหม่มาใส่เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าถ้าเราไม่ได้ทำไม่ได้ซื้อสิ่งเหล่า น, นี้แล้วเราจะตายไหมถ้าเราไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นเสื้อผ้าเราไม่พอใช้หรืออย่างไรรองเท้าเราไม่พอใส่หรืออย่างไรถ้ามีเสื้อผ้าพอมีรองเท้าพอ ก็อย่าไปซื้อมาให้เสียเงินเสียทองเก็บเงินทองไว้ดีกว่าเพราะเงินทองนั้นช่วยเราได้ในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากแต่เสื้อผ้ารองเท้านั้นมันช่วยอะไรเอาไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ก็ไม่ได้ราคาหรือบางทีก็ไม่มีใครอยากจะซื้อเพราะไม่มีใครต้องการของที่ใช้แล้วันแแต่เงินนี้ถ้าเราเก็บเอาไว้ได้ เวลาเรามีความจงต็มเดือบร้อนเราก็สามารถเอาเงินเอาทองไปใช้ได้นี่คือการอดกั้นความโลภเวลาเกิดความโลภขอให้เราใช้เหตุผลแล้วเมื่อเรามีเหตุผลแล้วเราก็จะสามารถระงับดับความโลภได้ส่วนเวลาที่เรามีความโกรธเราก็ต้องใช้ความเมตตาเข้ามาระงับ คือเราต้องให้อภัยเราต้องไม่จองเวรเราต้องคิดว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทํานั้นก็ผ่านไปแล้วจะมาโกรธมาแค้นมาเจ็บใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจะเป็นการเสียสองต่อเสียจากการกระทําจากการพูดของเขาแล้วแล้วยังต้องมาเสียใจมาเจ็บใจอีก เรื่องของการเสียใจการเจ็บใจนี้เราสามารถป้องกันได้เราสามารถไม่เสียได้ไม่เจ็บได้ถ้าเรารู้จักให้อภัยรู้ไม่จองเวรจองกรรมรือคิดเสียว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปลบมันได้แต่เราสามารถลบความโกรธลบความอาฆาตพยาบาท ลบความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยการให้อภัยหรือด้วยการคิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมไปเราเคยทำเวรสร้างเวรสร้างกรรมมามากตอนนี้เวรกรรมมันก็มาทวงเอาคืนเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่พอใจที่เราเจ็บใจทุกข์ใจเราก็ต้องรี ให้อภัยรีบลืมๆ ม, ม, มันไปเสียถ้าเรายัางให้อภัยไม่ได้อย่างน้อยก็พยายามลืมมันอย่าไปคิดถึงมันพยายามคิดถึงเรื่องอื่นแทนเช่นสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดอรหังสัมมาอิติโตโสไปถ้าเราสวดไปเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธทําให้เราเสียใจเดี๋ยวเดียว เรื่องนั้นก็จะหายไปจากใจความโกรธความเสียใจก็จะหายไปแล้วเมื่อเราคิดกลับไปคิดใหม่เราก็จะมีกำลังที่จะใช้ธรรมะเข้ามาแก้ได้เพราะเวลาที่จิตเราสงบแล้วนั้นเราจะเป็นอีกคนหนึ่งไม่เหมือนกับขณะที่เรามีความโกรธถ้าเรามีความโกรธมีอารมณ์นี้ เราใช้เหตุผลไม่ได้เพราะว่าอารมณ์นี้มันไม่ยอมรับเหตุผลแต่พอเราทำใจของเราให้สงบได้ก่อนแล้วพอเรามาคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็จะสามารถให้อภัยได้เพราะเราโง่เองเวลาเราโกรธเวลาเราอาฆาตพยาบาทนั้นใครล่ะเป็นผู้ที่เจ็บใครล่ะเป็นผู้ที่ทุกข์ก็ไม่ใช่ใครก็ตัวเราเอง พอเราเห็นว่าเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทแล้วเราก็จะไม่อยากจะโกรธจะไม่อยากอาฆาตพยาบาทต่อไปเราก็จะให้อภัยได้นี่คือการการใช้ธรรมะเพื่อที่จะมาอดกั้นจิตใจไม่ให้แสดงไม่ให้พูดไม่ให้ทําในสิ่งที่จะเกิดความเสียหายขึ้นมา ถ้าเราเกิดความโกรธแล้วเราอดกลั้นไม่ได้เราไปพูดไปว่าคนที่เขาทำให้เราโกรธเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันแล้วเดี๋ยวก็เกิดการต่อสู้กันแล้วเดี๋ยวก็เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันแล้วก็เกิดการจองเวรจองกรรมกันไปไม่รู้จักจบจากสิน้นพอเราไปทาเขาให้เจ็บทีนี้เขาก็จะ โกรดเราเขาก็จะอาฆาตปยายบาตเราเขาก็จะกลับมาจองเวรจองกรรมเราอีกเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขต้องคอยหลบหลบซ่อนซหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปต่อสู้กับเขาอีกต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเดี๋ยวก็ต้องฆ่ากันตายไปไหนที่สุดคนตายก็ตายไปคนที่อยู่ก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือต้องถูกเขาจับไปฆ่าอีกทีหนึ่ง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีธรรมะที่เรียกว่าธรรมะความอดกลั้นนี้เองเพราะเราไม่รู้จักวิธีอดกลัน้นเราไม่เคยศึกษาไม่เคยได้ยินพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามาวัดอยู่เรื่อยๆมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะรู้จักวิธีที่จะอดกลัน้นที่จะไม่ให้ความโลภความโกรธนั้น แสดงออกมาทางกายและทางวาจาส่วนธรรมะข้อที่สที่ท่านส่งสอนให้เราเจริญก็คือขันติความอดทนความอดทนนี่ก็คล้ายๆกับความอดกลั้นแต่ความอดทนนี่หมายถึงการที่เราจะต้องอยู่ในโลกนี้กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆกับปัญหาต่างๆเราต้องมีความอดทน เราต้องใจเย็นเราต้องอย่าทอ้อแท้เพราะถ้าเราทอร้อแท้แล้วเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้และถ้าเราไม่อดทนเราก็อาจจะไปทำในสิ่งที่สร้างความเสียหายมากขึ้นไปก็ได้เช่นเราอดอยากขาดแคลนเราเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเช่นขาดอาหารมีอาหารรับประทาน บ้างแต่รู้สึกไม่ยังไม่พอเพียงถ้าเราไปลักเล็กขโมยน้อยไปทําผิดศีลเราก็จะไปสร้างปัญหาให้กับตัวเราให้มีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอดทนไว้จะทุกบ้างจะลําบากบ้างจะอดอยากขาดแคลนบ้างก็ทนไปแต่อย่างน้อยเราไม่ไปทําผิดกฎหมาย เราไม่ไปทำผิดศีลเราไม่ไปทำผิดกฎผิดระเบียบโทษต่างๆก็จะไม่มีตามมาเวลาจิตใจเรามีความอดทนแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามนี้เราจะสามารถเผชิญกับมันได้เสมอถ้าเราไม่มีความอดทนแล้วต่อให้เรามีสมบัติเหมือนทองกองเท่าภูเขาเวลาที่มีปัญหา ที่เงินทองไม่สามารถแก้ได้ช่วยเราได้ก็ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากความอดทนนี้เท่านั้นถ้ามีความอดทนได้แล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแม้ถึงเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปถ้าเรามีความอดทนมันก็จะไม่ทำให้ใจของเราทุกข์ได้เราจึงต้องฝึกการอดทน วิธีที่จะทําให้ใจเรามีความอดทนก็คือเราต้องทําใจของเราให้สงบต้องทําจิตใจของเราให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิเพรเวลาจิตเรามีความสงบตั้งมั่นแล้วใจของเราจะไม่วอกแวกจะไม่แกว่งไปแกว่งมาจะรู้สึกสงบเย็นสบายท่ามกลางปัญหาต่างๆท่ า, า, ามท่ามกลางความเดือดร้อนต่างๆจะไม่สามารถ มาทําให้ใจของเราว่าวุ่นขุนวัวทุรนทุรายได้เลยเพราะใจของเราสงบนิ่งอยู่นั่นเองดังนั้นการทําจิตใจให้สงบนิ่งให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการดำรงชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นแล้ว ใจของเรานี้จะลุกเป็นไฟอยู่เรื่อยๆเวลามีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจจะเป็นเหมือนกับมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาทำให้ไฟต่างๆนั้นไม่สามารถลุกขึ้นมาได้จึงเราจึงควรฝึกทำจิตให้สงบกัน วิธีง่ายๆก็คือให้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์แล้วอย่าไปคิดเรื่องอะไรให้อยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายไม่อยากจะสวดขั้นต่อไปก็อาจจะดูลมหายใจต่อก็ได้นั่งดูลมไปหายใจเข้าหายใจออกหรือจะบริกรรมคำพุโทโธพุโทโธไปก็ได้จนกว่าใจจะสงบนิ่ง นะเมื่อใจสงบนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันนิ่งไปจนกว่ามันอยากจะถอนออกมาเมื่อถอนออกมาแล้วเราก็ควบคุมใจต่อไปด้วยสติอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นให้อยู่กับพุทธโธให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆอยู่ภายในใจใจก็จะมี ความเย็นหล่อเลี้ยงจิตใจไปตลอดเวลาไปเจออะไรไม่ถูกอกถูกใจก็สวดมนต์ไปพุทโธไปเดี๋ยวความไม่สบายใจไม่พอใจก็จะหายไปถ้าเราไม่ทำอย่างนีแ้แล้วเวลาเราไปเจออะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆเมื่อเราคิดถึงเรื่องนั้นอยู่มากเท่าไหร่ ความร้อนใจก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่เบาบางลงไปแต่จะร้อนมากขึ้นไปจนทําให้ทนไม่ไหวจะต้องไปพูดจะต้องไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมานี่คือการทาจิตทําจิตใจของเราให้มีความสงบเพื่อเราจะได้มีขันติความอดทน ขอให้เราอย่าไปคิดว่าเป็นการกระทาที่เสียเวลาการนั่งเฉยๆการสวดมนต์หรือการบริกรรมพุทโธนี้อย่าไปคิดว่าเป็นการเสียเวลาเป็นการสร้างบุญสร้างคุณสลสร้างธรรมะสร้างน้ำที่จะมาดับไฟแห่งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจของเราเราจะเห็นคุณค่าในขณะที่เวลา ชีวิตของเราต้องไ ป, ปเผชิญกับปัญหาต้องไ ป, ปเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากถ้าเรามีขันติมีความอดทนมีสมาธิอยู่ภายในใจของเราแล้วเราจะเห็นคุณค่าของธรรมะทันทีว่าทำให้เรานั้นอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้จะอดอยากขาดแคลนถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรแต่ใจจะไม่ถูกกระทบกระเทือนเลย นี่คือน้ำแห่งธรรมน้ำแห่งบุญแห่งกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสะสมกันตักตวงกันไว้ในใจเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ไฟแห่งความทุกข์นั้นมาเผาไหมจิตใจของเราจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือจาคะการเสียสละ ศีลการไม่เบียดเบียนธรรมะการอดกัน้นขันติการอดทนให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปพิณิทิจณ า, าและบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระพุทธธรรมประสงค์